หลังจากนั้นไป้องเนี่ยถ้าจะบริบูรณ์ได้ก็ต้องหนึ่งต้องรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตเมื่อน้อมใจด้วยศรัทธาเมื่อประคองความเพียรเมื่อตั้งสติไว้เมื่อตั้งใจมั่นเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญารู้ทำที่ควรรู้ละทำที่ควรพระเจริญทำที่ควรเจริญทําให้แจ้งซึ่งทำที่ควรทําให้แจ้งยังไม่ถึงจะชื่อว่า ศีน<ส>ริพราะในเบื้องต้นนี่ในการที่เราจะรักษานนศีลเนี่ยเพืที่จะจจะเริญวิปัสนาหรือสมถะแต่ถ้าเราจะริญวิปัสนาหรือสมถะหรือวิปัสนาได้นะวิปัสนาหรือสมถะจะรักษาศีนเองครับคือศีนที่ที่บริบูเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตคือเอาอภาิชากับโทมนัทเนี่ยเป็นเป็นเครื่องวัด ว่าเราทั้งหลายเนี่ยเข้าไปมีอภิชากับโทมนัะทั้งหลายแค่ไหนตัวศีลจริงๆนะก็คือกายกับอะไรวาจากายกับวาจานี่เป็นศีล เนกายกับวาจาเป็นศีลเนี่ยศีลเหล่านี้ก็ต้องมีสมุทฐานเนี่ยนะเพราะว่าพวกกายวาจานี้เป็นเป็นรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยนะเพราะจิตที่เป็นสมุทฐานแห่งกายวาจาอันนั้นเนี่ยต้องเป็นอนาพิชานะกับอัพยาปาทะนะอนาพิชากับอัพยา เป็นสมุทฐานแห่งกายและวาจาแปล ง, ง่ายๆว่าไม่โลภกับไม่โกรธนหอานาพิชาคือไม่โลภใช่ไหมอพยาบาทคือไม่โกรธทำยังไงที่จะไม่โลภกับไม่โกรธนหตัวความโลภนั้นะ่ะมีอะไรเป็นอารมณ์ อิทธารมความโกรธมีอะไรเป็นอารมณ์อานิธ า, า, ารมนี่นะอิทธารมกับอนิธารมเนี่ยนะเป็นเป็นตัวอิทธารมคือสภาวะที่น่าปรารถนาอนิธารมไม่น่าปรารถน า, าเมื่อรับอิทธารมแล้วเนี่ยนะอนัพพิชามไม่เกิดคือไม่โลภ เมื่อรับอนิถารมแล้วไม่โกรธนั้นอนาพิชาคือความไม่โลภความไม่โกรธเป็นสมุทัแห่งกายวาจาใดกายวาจานี้เรียกว่าศีลเรียกว่าศีลทีน่นี้ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะอย่างเราจะพิจารณาอริยสัจ ย, ยกตัวอย่างว่าวัตถุที่เราพิจารณาเป็นอริยสัจเนี่ยก็คือพิจารณาอิทธารมกับ อินทนารมถ้าเรามีร่างกายของเราเองเป็นอารมณ์เลยเนี่ยนะเอายกตัวอย่างว่ามีร่างกายของเราเป็นอารมณ์เพื่อจะเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยนะเราคิดร่างกายของเราเนี่ยโดยอิทธารมณ์นีได้ไหมคิดยังไงว่าเป็นอิทธารม์คิดตัวเองนะตัวเองน่าปรารถนายังไงไม่น่าปรารถนาอย่างไรสมมติถ้าว่าร่างกายภาษาธรรมะเรียกว่าบริบูรณ บริบูร์หมายความว่ามันดีดังใจนึกไปหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าหน้าปราถนาใช่ไหมอะไรก็ดีไปหมดอนะพูดถึงมือมือก็ดีนึกถึงฟันฟันก็ดีไปหมดเลยพิจารณาในแง่ไหนผมก็สวยเล็บก็สวยฟันก็สวยคิดยังไงก็ดีไปหมดสวยไปหมดคิดอย่างนี้แล้วอภิชาก็เกิดอีกในหนึ่งนะแค่ป่วยกระสอบกระแสะเป็นต้นเนี่ยเป็นยังไงชอบไหมไม่ชอบยุงก็กัดเป็นต้นเนี่ยนะ ชอบไหมก็ไม่ชอบอีกโทรสารก็เกิดการพิจารณาร่างกายของตนแล้วอาพิชากับโทรมนัทเกิดอย่างนี้เรียกว่าศีลไม่ดีนึกถึงอีกในหนึ่งเนะ้นึกถึงคาที่ตัวสิ่งที่ทากับคาที่พูดนึกและกินแหนงใจนึกเมื่อไรก็วันนี้ดูทาไมใช้คานั้นกับคนนั้นเนี่ยนะ อันนี้แสดงว่าศีลไม่ดีจะพูดด้วยวิธีใดก็ตามนึกแล้ววิปปติสารย้อนหลังนะนึกถึงทบทวนแล้วสมมุติเช่นตัวอย่างว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เชา้าจนถึงบัดนี้เนี่ยเราทําอะไรให้ตัวเองไม่สบายใจมีไหมเราพูดคําใดที่ให้ตัวเองไม่สบายใจมีไหมนะคำพูดที่ที่เรียกว่าทําให้ตัวเองไม่สบายใจเขาเรียกว่าคําพูดเบียดเบียนตนก็เครื่องวัดเขาหยับๆก็กคือเบียดเบียนตนไหม น, นะเบียดเบียนตนไหมผู้อื่นไหมทั้งสองฝ่ายไหมเนี่ยเนี่ยก็อันนี้วิธีเช็คง่ายๆทางการสอนวันนี้เบียดเบียนตนไหมเอายังไงเ อ, า อ, อาา้ายอวิชาใช้อวิชาอย่างเดียวเมื่อไร่จะที่สุดแทงทุกเนาะคุณอารีเบียดเบียนตนไหมวันนี้ มีคมีสิ่งอะไรที่เราทำแล้วเบียดเบียนตนเองไหมทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังไหมเนี่ยนะก็ทบทวนแล้วก็คนที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าด้วยด้วยจิตที่ยุติธรรมนะคือเหมือนกับว่ายุติธรรมเนี่ยในใจของเราเราบอกเลยว่ามันมีสิ่งที่เราไม่ควรทำอยู่นะเอาเอาเอาสุดเจริตธรรมเนี่ยเป็นตัวตั้งยุติธรรมหรือว่าสุจริจธรรมเนี่ยนะมาตั้งว่า เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยเราตั้งด้วยสุจริต ธ, ธรรมในใจของเราเนี่ยมีไหมหรือเรารู้ว่าเนี่ยเนี่ยเราต้องการจะเล่นงานคนนี้แหละด้วยอํานาจจิตเบียดเบียนเป็นต้นเนี่ยมีไหมอันนี้คือวัดถึงว่าศีลดีไหมนี่นะอันนี้เป็นเป็นเครื่องวัดเลยก็คือสิ่งที่ทําคําที่พูดเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเป็นต้นทั้งสองฝ่ายไหมพอ ว, วิเคราะห์ได้ลักษณะนี้แล้วก็คิดต่อไป เมื่อไม่มีสรุปแล้วว่ากายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีนึกแล้วไม่ลำบากใจแม้แต่นิดเดียวนะว่าตัวเองไม่กินแหลงใจตัวเองเพราะว่าศีลทั้งหลายมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นที่สุดน ไ, ดไผลของของการรักษาศีลคือไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเลยว่าตัวเองได้ทำทำพลาดมาทําผิดมานะถามว่าใครเป็นอาจารย์ตรวจสอบแหะใจของเรานั่นแหละเป็นเครื่องวัดก็คือ คือทำมาเนี้ยไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะเรียว่าเพราะชังไม่ใช่เพราะชอบไม่ใช่เพราะหลงตรวจสอบแล้วไม่ใช่ที่ที่กายวาจามไม่ได้เกิดจากความกลัวไม่ได้เกิดจากความชังไม่ได้เกิดจากความชอบไม่ได้เกิดจากความลุ่มหลงทําด้วยอํานาจโมหะไม่มีเลยตรวจสอบดูแลเออใช่ได้ถ okay. ้าอย่างนี้เนี่ยศีลดีนะถ้าอย่างเงี้ยศีลดี อันนีเน้เป็นเครื่องวัดแบบธรรมดาเบื้องต้นเนี่ยนะพอได้นะจำเป็นิดอย่างเงี้ตรวจได้แต่ว่าไม่ค่อยกล้าตรวจหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะพระเจ้าตรวจได้แต่ไม่ค่อยกล้าตรวจเลยอย่างนั้นตรวจแล้วจะเบียดเบียนตนหรือวะตรวจแล้วก็เสียใจยต่อเลยนะตรวจเหมือนอะไรนะเช็คดูร่างกายโอ้ตรงแผล ผ่านสองครั้ยกๆใช่ไหมตรวจตรงนั้นก็แผลเอะตรวจตรงนี้ก็แผลวัะคุยกับคนโน้นมาได้พิชาบาลมาเลยคุยกับคนนี้โทรมานัดมาอีกเต็มไปหมดถ้าอย่างนี้ก็โอ้ดูจะห่างไกลามากแต่ไม่เป็นไรคํ า, า, า, า, าคว่าทรมานตนเนี่ยนะคือจะเคยทําอะไรให้ตัวเองไม่สบายใจไหมอ่าลักษณะนั้นอ่ะเป็นเช่นไปพูดกับก บ, บางคนเนี่ยนะพูดเสร็จแล้วเราต้องไม่สบายใจแน่ คำพูดอันนั้นเรียกว่าเบียดเบียนตนเช่นเช่นสมมตินะเราหลอกให้คนอื่นสบายใจแต่ถามว่าคนหลอก น, น ม, ม่สบายใจัหมไม่สบายใจลักษณะนั้นเบียดเบียนตนคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนะอะไรเช่นอะไรน ะ, ะมีสตังหรือเปล่าเนี่ยนะเราอยากให้คนอื่นเขาสบายใจใช่ไหมเราก็บอกมีทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่มีเนี่ยนะอันนั้นแหละพอพูดจบแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่จริงอะ่ะ คนอื่นเขาก็ไม่ได้อินหนังครั้งขอบอะไรกับเราหรอกเขาก็ไม่ได้มาเดือดร้อนมาดีใจอะไรกับเราสักเท่าไหรหรอกแต่เราพูดอย่างนี้แล้วอีกฝ่ายสบายใจโดยที่เรายอมเบียดเบียนตนเนี่ยนะอ่าลักษณะนี้แหละเรียกว่าเบียดเบียนตนยอมยอมเป็นทุกข์ซะเองอ่ะนะเคยคนที่รักษาศีลเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามุ่งเพื่อเบียดเบียนตนไม่ใช่มุ่งเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นรักตนกับผู้อื่นเสมอกันคือเห็นตนกับเห็นบุคคลอื่นก็ไม่ต่างอะไรกันนัก เพราะฉะนั้นเขเรียกว่าตั้งอยู่บนสุดจริตธรรมตั้งอยู่บนความยุติธรรมเนี่ยนะว่าอะไรที่สมควรเหมาะสมในเรื่องนั้นๆเหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าเราเนี่ย ท, ทําที่ดีที่สุดแล้วในสิ่งนั้นคือใช้คําว่าเราต้องยอมรับหนึ่งว่าความขีดความสา ม, มารถของเรามันมีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราทําในส่วนนี้คือทําสุดความสา ม, มารถของเราแล้วคือสิ่งที่เราทํากับคําที่เราพูดนะ เราทําสุดความสามารถแล้วแล้วก็สิ่งที่ควรสมาทานคือพร้อมที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้เพราะเมื่อเราตั้งใจทําในสิ่งนั้นดีที่สุดโดยที่ไม่ตําหนิตัวเองเลยคิดง่ายๆอย่างนี้อย่างอาจารย์แดงเกี่ยวข้องกับแม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนไหนที่จะต้องตําหนิตัวเองไหมยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเลยอันนี้เรียกว่าสินดีอนนวะว่าถูกคือแม่เ น, นี่ยสินดี ที่เรียกว่าตัวเองไม่แหมวันนั้นน่ะไม่น่าอย่างนั้นเลยไม่น่าอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่มีในใจเนี่ยแปลว่าถ้ามีคำนี้เมื่อไหร่นะให้รู้เถอะว่าสิ่งนั้นที่เราไปเกี่ยวข้องมาทำมาไม่ดีศีลไม่ดีแต่นึกแล้วก็ผ่านผ่านผ่า น, านถ้ายังเนี้ยศีลดี อันนี้อันนี้เราเอาไม่เอาคนประมาณเป็นประมาณเพราะเราจะเอาคนที่จะเจริาอริยสัจต่อเป็นประมาณบุคคลนั้นก็ตกอยู่ในความรุ่มหลงอยู่แล้วก็ไม่เอาเป็นเกณฑ์มาตรฐานอะไรเพราะว่าศีลพวกนั้นเป็นหาหนาภาคิยะอันนั้นเป็นกลุ่มหาหนาภาคิยะแต่กลุ่มนี้ต้องเป็นวิเศษภาคิยะอย่างเดียวที่ที่เพียงพอที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเพราะว่าเรา เราเอาวิชากับวิมุติเป็นประมาณใช่ไหมวิชาวิมุติเกิดจากอะไ ร, ระโพชงโพชงมีอะไรเป็นปสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่เกิดจากอะไ ร, ระอันนะสุดจริตสาอันนี้เรากําลังตรวจสอบสุจริตเราอยู่ว่าพอไหมที่จะเป็นฐานให้พิจารณาอริยสัจเพราะสติปัฏฐานเนี่ยก็นับอริยสัจเบื้องต้นนี้อยู่ที่ สติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานทั้งโลกิยะและโลกุตระนี่เรากําลังพูดสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะเพราะว่าถามว่าเพียงพอหรือยังที่ที่ที่จะเจริญสติปัฏฐานโดยเฉพาะอาริยสัจบัพภะเนี่ยนะทั้งๆ ท, ง ท, งที่ทุกอะไรนะชาที่เป็นทุกขาชาราไปทุกขามรณะไปทุกขั้งมันหยาบมันชัดเหลือเกินแต่ทําไมเราคิดไม่ได้อันนี้คือโจทย์ที่ตั้งคำถามเนี่ยนะ มันก็สอบถามมาหามาที่สุจริตเราดีไหมสรุปว่าสุจริตก็คือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสฝ่ายตั้งอยู่บนความสุจริตและยุติด้วยธรรมยุติแปลว่าสมควรคิดว่าสมควรด้วยธรรมแล้วเราตั้งใจให้คนอื่นเขา คือคนที่พูดที่พูดอะไรออกไปเนี่ยนะถ้าตั้งจิตไว้โดยสุดจริตยุติธรรมแล้วแล้วคนอื่นรับไปผิดอันนี้ไม่ใช่ภาระที่เราจะต้องไปรักษาเขาเพราะตอนที่เราพูดเราได้วินิจฉัยแล้วเนี่ยนะได้วินิจฉัยแล้วถ้าเขาไม่สบายใจก็ตามแก้ว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะ ปเปรียบเทียบอุปมาเหมือนอย่างว่านายแพทย์ที่วินิจฉัยโรคตามสติปัญญาตัวเองได้อย่างดีแล้วจ่ายยาออกไปก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วถ้ามันผิดพลาดก็ไปตามแก้ไ ป, ก, ไปก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับที่ทํามาเพราะตอนนั้นก็ฉลาดเท่านั้นอะ่ะจะไปทําอะไรมากกว่า น, นั้นได้พราะก็ต้องยอมรับอะไรนะอัตตัญญุตารู้ประมาณตนเองเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยตนตนเป็นเช่นใดเนี่ยนะขีดความสามารถในตอนนั้นเป็นอย่างไร คือตรงนี้ที่เราจะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองที่บอกว่าตอนนั้นเราทําดีที่สุดอย่างนั้นจริงๆตั้งอยู่นบนความสดจร่นใจจริงๆเราไม่ได้ตั้งอะไรนะเพื่อคิดจะแกล้งคิดจะอะไรไม่มีโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าเรามีเมตตาวจีกรรมสักหน่อยหนึ่งเราก็ถ้าคนอื่นเขาเข้าใจผิดเราก็ขอโทษเขาเป็นนะคือว่าให้ความสบายใจเขาอันนะคือคือขอโทษที่เราฉลาดน้อยไปช่วให้คุณมีความสุขไม่ได้ อันนช่วยให้คุณสบายใจไม่ได้ขอโทษด้วยนะที่เราพูดให้คุณเดือดร้อนใจเนี่ยนะคือตอนนั้นเนี่ยตั้งอยู่บนความสุดจริตใจที่จะพูดแต่ว่าสติปัญญามันไม่พอในตอนนั้นเพราะนั้นอารมณบเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเลยไม่ค่อยดีพูดตรงสภาวะไปหน่อยแต่ว่าไม่ต้องอธิบายขนาดนี้นะมิางา น, นเดี๋ยวศัตรูเพิ่มอีก <c oughs> คือปัญหาในการเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเนี่ย น, นะทีนี้ถ้า วัตถุนั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทสรุปว่าถ้าวัตถุนั้นเรานึกแล้วโกรธเลยแก้ยังไงแก้ยังไงครับเนี่ยก็หาอุบายในการระ ง, งับความโกรธวิธีระ ง, งับความโกรธซึ่งตอนนั้นพรหมิหารเรียนไปตั้งหลายเดือนนะก็ของเกือบลืมละลืมว่าเคยเปิดพรหมิหาร ก็คือหาวิธีระงับความโกรธแต่ทีนี้ถ้าเรามุ่งจะเจริญวิปัสสนานะีว่า่ง่ายๆว่าเรามุ่งจะเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะพิจารณาอริยสัจ ต, ตั้งคําถามง่ายๆเราโกรธเราไม่พอใจสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาหรื อ, อนะตั้งคําถามานี้นะเราจะโกรธสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาหรือเราโกรธสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหรือค่อยๆไล่ถามทีละอันไนหะ เรายังโกรธสิ่งที่ตายเป็นเป็นธรรมดาอยู่หรือนะเรายังโกรธวัตถุที่มีโสกะปริเทวะเป็นธรรมดาหรือนะเราโกรธสิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาหรือเราโกรธสิ่งที่มีโทมนัสเป็นธรรมดาหรือเราโกรธสิ่งที่มีความขับแค้นใจเป็นธรรมดาหรือเราโกรธอุปาทานขันห้าอยู่หรือ หรือเราโกรธตาหูจมูกลิ้นกายใจเราโกรธรูปใช่ไหมโกรธเวทนาใช่ไหมโกรธสัญญาใช่ไหมโกรธสังขารใช่ไหมโกรธวิญญาณใช่ไหมไล่ไปอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเลยโกรธผมใช่ไหมเขาหวีผมมาไม่ถูกใจเราเราเลยโกรธอย่างเงี้ยนะหรือโกรธเล็บเพราะเขาเล็บยาวไปนิดนึงอย่างเงี้ยนะหรือโกรธหนังโกรธฟันโกรธคิ้วโกรธเล็บอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะไล่ไปอย่างนี้เนี่ยนะ ถ้ายุติธรรมหน่อยก็จะไม่มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธกรอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกรอรูปรูปธรรมดารูปมีสมุธฐานสีกรอรูปที่มีกรรมเป็นสมุธฐานหรือเราโกรธกรรมที่ทําให้มีรูปแบบนั้นหรือเราโกรธรูปที่มีจิตเป็นสมุธฐานหรือเราโกรธรูปที่มีอาหารเป็นสมุธฐานโกรธที่เขาอ้วนเกินไปโกรธที่เขาผอมเกินไปหรือโกรธรูปที่มีอุตุเป็นสมุธฐาน เนี่ยนะเพราะเขาอยู่ห้องแอร์เกินไปเนี่ยจนผิวเป็นอย่างเงี้เราเลยไม่ชอบอย่างงี้หรือเปล่าหรือโกรธรูปอะไรต่งางๆก็มาไล่สอบสวนดูอย่างนี้ก็จักละอะไรละโทสะได้อันนี้วิธีพิจารณาละโทสะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการเจริญอริยสัจต่อไปหรืออีกในหนึ่งถ้าเราติดข้องเลยติดข้องก็ เราติดข้องในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่หรือก็คําถามเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าเปลี่ยนว่าอะไรนะอีกคนหนึ่งโทสะเจริญมุ่งจากกรรจัดโทสะใช่ไหมอีกคนหนึ่งราคาเจริตมุ่งจากกรรจัดราคาเราต้องการวัตถุที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่หรือธรรมดาตัวเราเองก็ทุกข์หนักอยู่แล้วอย่างงั้นไหเราต้องการสิ่งที่มีชาราเป็นธรรมดาอยู่หรือ เราต้องการหาโรคปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับเช่นเราหรือเนี่ยนะแบบคุณชูว่าเนี่ยนะตัดสินใจซื้อหมายอยู่ตัวเดียวนะเดือดร้อนตลอดเลยครับนี้เนี่ยมันก็สแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาหรือหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาหรือเราเป็นผู้มีกิเลสเป็นธรรมดามีความทุกข์เป็นธรรมดาแล้วยังคิดสแสวงหาสิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาอยู่หรือ น, นะเรามีราคาเป็นธรรมดาสแสวงหาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งราคาอีกหรือก็ไล่อย่างเงี้ยถามอย่างเงี้ยสักสามชั่วโมงดูนะว่ามันจะเลิกคิดหรือเปล่ามันจะยอมไหมคิดว่ายอมไหมอาจารย์จะสอนอ ม, มันยอมเลยนอะเออนะลองไปใช้ดูถ้าใครไม่ยอมแล้วมาบอกนะจะบอกวิธีไปใหม่จะให้ยาเพิ่มอีกแรงอันนี้หน่อยทีนี้ถ้าอย่างเงี้เนี่ยแก้อภิชากับ โทมนัสได้เลยใช่มเมื่อแก้อภิชากักโทมนัสอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มาแยกแอชาติชรามรณะทั้งหมดนี้คืออะไรคือขันท่าอายตนะบหรือถ้าบปเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นก็คือเจาะลงรายละเอียดลงลึกไปใช่ว่าวัตถุนั้นหรือคนนั้น่ะคนนั้นก็ได้นี้ก็ได้นี้ก็คือเนี่ยค น, น, นเนี้ยนส่องกระจกดูจะเห็นเลยคนนั้น่ะ คนที่สองกระจกเองก็ดูว่าเออเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเป็นวัตถุที่มีชาติชร า, ามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นสิ่งที่วิปรโยคทุกสัมปรโยคทุกเนี่ยนะไม่สมหวังแยกแยะไปแล้วก็คือขันธาตและอายตนะนะก็ก็มาไล่ดูธรรมดารูปมีกี่สมุทฐานเนี่ยนะถ้าถ้ามีความรู้พื้นฐานแม่นในเรื่องของ อภิธรรมหน่อยรูปปกักกีสมุทานรูปคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอย่างไรตาหูตากับสีหูกับเสียงจมูกกับเกลิ่นเล่นกับรถกายกับโพธาภิใจกับธรรมรมหรือว่าจักขู่ท่ารูปประท่จาจักขู่วิญญาณาท่านซึ่งในการเจริญโดยเฉพาะพิจารณาทุกขสัพเนี่ยนะซึ่งในแง่นี้น ะ, ะเจริญแบบนี้แล้วจะไปรักษาศีลอีกครั้งนึง ตอนแรกเนี่ยศีลมารักษาการเจริญใช่ไหมแต่ดูเอ๊ะทำไมมันชักไม่ค่อยไหวก็เอาเจริญปัญญาเพื่อไปรักษาศีลเนี่ยนะให้รักษากันกลับไปกลับมาอย่างนี้เียวต่อไปตอนหลังศีลมันจะดีเองถ้าเจริญอย่างนี้เรียกว่าเอาปัญญามาชําระศีลแต่ถ้าบางคนนี่เอาศีลมาชําระปัญญาแต่อย่างนี้ก็ฟังธรรมเพื่อเอาปัญญาไปชําระศีลอันไหนดีกว่ากันฮะอันหลังอันหลังไหน ปัญญาไปชำระศีลเอาน ะ, ะทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ควระทรงจำพระสูตรไว้สักหลายๆสูตรเพื่อเพื่อประกอบการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะพระสูตรที่เกี่ยวกับอนิจจังอย่างหนึ่งพระสูตรเกี่ยวกับทุกขังอย่างหนึ่งพระสูตรที่เกี่ยวกับอนัตตาอย่างหนึ่งพระสูตรที่เกี่ยวกับอนิจนนจังเป็นยังไง นั่นแคสอนหนึ่งอนิจจังสังขตังปฏิจจสมุปปนะธรรมังเมื่อก่อนนี้พูดไม่เคยเต็มทักทีเต็มๆครันะอนิจจังสังขตังปฏิจจสมุปปนะังขยะธรรมังวยะธรรมังวิปริณามธรรมังนิโรธธรรมังเนี่ยนะพวกนี้ไม่เที่ยงอันตัดใจปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะ mm hmm. ก็คูณมีกี่คําตกลงอันนี้จังไม่เที่ยงอันตัดใ จ, จปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเอาเจ็ก็พอ7จคูณหเนี่ยนะก็ไล่นะรูปไม่เที่ยงอันตัดใ จ, จปรุงแต่งไล่อย่างเงี้ยไปจนถึงเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณน่ น, นะหรือพิจารณาอีกเป็นเจเนี่ยคูณ12อนะจักคูไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะอายตนะก็ไล่ไปอย่างนี้หรือว่าเจคูณ18จักรคูธาตุไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเราก็มาเจริญลักษณะนี้อันนี้เรียกว่าพิจารณาโดยทุกขัง เออขอไปอันนี้จังซึ่งเราสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องคิดเองด้วยเนี่ยเพราะคาสอนสอนไว้หมดแล้วคิดตามอย่างเดียวแต่พี่ต่างว่าเราไม่ได้คิดถึงคําแต่เราคิดถึงขันแล้วพิจารณาขันตามคําสอนต่างจากคิดถึงคํำไหมต่างหรือไม่ต่างอยู่แล้วนะเพราะว่าเอามาพิจารณาจริงๆเหรอไ คือทางธรรมะเนี่ยนะท่านจะพยายามไม่บอกว่าคนนั้นะไม่เที่ยงอันปัจใจปรุงแต่งท่านจะไม่พูดแบบนี้อันนั้นมันอะไรมันเกินไปอันนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเพราะสูตรของเขาถ้าขันก็คูณสิอใช่ไเพราะไอ้คำไม่เที่ยงดังกล่าวไปไม่ใช่ขันในปัจจุบันทั้งนั้นไม่เที่ยงที่อนิจจังสังขตังปฏิจจธรรมแม้รูปในอดีตก็ไม่เที่ยงอันปัจใจปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้น เป็นต้นเนี่ยนะแม้รูปในอนาคตก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิน้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเธรรมดาแม้รูปปัจจุบันแม้รูปภายในแม้รูปภายนอกแม้รูปหยาละเอียดเลวประเนืใกล้ไกลก็สิบเอดนี่ยนะก็คูณสิบเอดสิบอดคูณห้าเท่ากับหกสิบหกไหมอ๋อห้าสิบห้ามาคณิตศาสตร์เนี่ยนะ เดต้องใกล้ชิดอาจารย์มินิตไปหน่อยอาจารย์มินิตก็ต้องให้เวลาคิดหน่อยใช่ตกลองว่า55คูณ7เนี่ยได้นึงเอ๊ะดูเวลามันชักจำกัดเลวนะเวลาไม่ค่อยพอแล้วนะหมดเวลาไปเมก่อนแนละทีนี้ถ้าอย่างเนี้ยแล้วอายตนะอีกก็เหมือนกัน7คูณ12ก็ไล่ไปทุกขันทุกท่าทุกอายตนะฝึกซ้อมไปแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆขึ้น เอาจนชำนิชำานาญจนคล่องแคล่วเลยนะใครครวนแบบนี้นะใครที่ว่าจำพระสูตรไม่ได้เนี่ยโอ้แทบจะเรียกว่าจำแค่นี้เวลาก็ไม่ค่อยพอจะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้จังนะต่อไปทุกขังทุกขังเนี่ยเบาที่สุดคืออธิตตะเปรยยสูตรเนีย่ยนะอธิตตะเปรยยสูตรก็ง่ายดี ก็ค <dri ality> ือไฟส1บเอกองมาเผาอ่ะนะไฟคือราค่าไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาตเช่นว่ารูปเป็นของร้อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะรูปเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราค่าร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติร้อนเพราะไฟคือชราร้อนเพราะไฟคือมรณะร้อนเพราะไฟคือโสกะร้อนเพราะไฟคือปริเทวะร้อนเพราะไฟคือทุก ร้อนพระไฟคือโทมนัทร้อนเพระไฟคืออุปายาตแล้วก็สิออย่างเงี้ยโคนไล่ตามเนี้ยไปนะก็พิจารณาไปอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆทีนี้บางครั้งก็พิจารณาได้ก็ดีถ้าไม่ได้จริงๆก็สาธยายไปก่อนให้จิตคุ้นเคยกับสิ่งนี้ก่อนอคนอื่นไม่ทราบนะขอมาเนี้ยวิธีหนึ่งที่ทําอยู่ก็คือเรื่องอะไรที่ไม่คุ้นนะขอสาธยายไปก่อนอะไรนะก็ขอทําความคุ้นเคยกับสิ่งนี้ก่อน จริงอยู่จิตมันไม่รับเลยยกตัวอย่างเช่นอ่านพระไตรปิฎกบางเล่มเชื่อมไหมขอมาอ่านแล้วมันไม่เข้าเลยทีนี้ไม่เข้าทํำยังไงก็บอกว่าขอผ่านตาไปก่อนหนึ่งรอบแล้วจะอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งผ่านไปก็ใช้วิธีนี้จนกว่านึกรักเรื่องนี้ขึ้นมานะวิธีพิจารณาส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีนี้ตอนหลังกลายเป็นว่าชอบเลยนะตอนหลังก็กลายเป็นว่าชอบเรียกว่าทําความ คุ้นเคยคำว่าชอบในที่นี้แปล ว, ว่ามีฉันทะที่จะไปเจริญอย่างนั้นนยะแล้วก็สบเอกองนะเอาสบอกองเนี่ยมาพิจรารณามาคูณขันอายตนะท่าถ้าขันก็อดีตอนาคตเป็นต้นดังกล่าวไปถ้าอนัตน ต, ตลาล่ะก็อนัตตลักษณสูตรใช่ไหมอนตัตตลักษณะสูตรก็ได้หรืออีกในหนึ่งคือใช้คำว่าศูนย์แปลว่า ว่างว่างจากความเที่ยงคือว่างจากนิจจังสองว่างจากสุขขังเออว่างจากทุกเออทุกว่างจากสุขสิว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอัตตาว่างจากบริขารของอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา ว่างจากความไม่ว่างจากความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาก็คือมันแ ป, ป, ปลว่ามันมันมันแปรปรวนนะว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากอาตาัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราว่างจากความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็สรุปว่ามันแปรปรวนเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พิจรารณาโดยความเป็นอนัตตาหรือถ้าอนัตตลักษณะสูตรก็ได้ใช่ไหมโดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้าว่ารูปจักเป็นอัตตาไซ รูปจักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและพึงได้รูปตามใจปรารถนาว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยดูความพิสูนทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธบุคคลจึงไม่ได้ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะก็ไล่อย่างนี้ไปทั้งหมดเนี่ยนะวัตถุดิบเนี่ย ก็คิดคำนวณไปตามนี้ไปก็เจริญค่อยๆไล่ไปทีละอันทีละอันทีละอันทีละอันเข้าใจว่าาจารเกสรไม่ตกงานแล้วคันี้ถ้าไปเจริญจริงๆแค่นี้ก็ไม่ตกเลยเนาะไ ด, ไะไดท้ที่ได้สำคัญก็คือให้เจริญ